ไปไปพึ่งพากันตั้งใจสำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่เนื่องจา ก, กว่าชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงเมื่อตายไปแล้วไม่ได้ฝึก้นตอน ส่วนมากตายไปแล้วก็ไปสอยผลแห่งกรรมดีหรือกรรมชั่วที่ตัวทาเอาไว้ในโลกนี้เท่านั้นไม่มีโอกาสที่จะได้ฝึกตนอย่างที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์นี้ดังนั้นให้พากันตื่นตัวเนื่องมาจากก๊ คนส่วนมากไม่เคยได้ฝึกตนนี่แหละมันจึงพ้นจากทุกไปไม่ได้เกิดมาชาดใดพบใจเกอะมาตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาเสียมากก่ามากการที่จะได้คิดฝึกฝนตนพยายามละความอยากความปรารถนาในโลกนี้ นง่นมีน้อยเต็มที่วนมากก็มีแต่จะจะเอามันลูกเดียวจะกอบโกยเอาวัตถุอะไรต่ออะไรในโลกนี่ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้การที่จะคิดว่าจะสั่งสมบุญกุศลให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ในทีนี้นะมีน้อยเต็มทีดังนั้นคนเราจึงต้องเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่อย่างนี้ไม่รู้จักจบจักสิ้นก็วความอยากตัวนี้เนี่ยมันพาไปบุคคลไม่ไม่มีอำนาจที่จะขจัดความอยากออกจากจิตใจนี้ได้ มันถึงเป็นอย่างนี้โลกอันนี้นะดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้นึกถึงความตายบ่อยๆเมื่อมันเห็นแจ้งว่าชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของแน่นอนตายแล้วย่อมพัดภากจากทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีที่จะเอาติดตัวไปได้เลย ภาวนาพิจารณาลงไปอย่างนี้ทุกวันทุกคืนไปมันมันก็จะวันเท่าเสียได้ซึ่งความอยากอันอันไม่มีสิ้นสุดลงไปได้ได้ให้เบาวางลงไปจา ก, ก จ, จิตใจบุคคลใดมาคิดว่าความสุขมีอยู่แค่ในโลกนี้เท่านั้น จึงเด็ดดีหาแต่ความสุขในโลกนี้ความสุขในโลกหน้าหรือความสุขอย่างยิ่งคือพระนิพพานนั้นมองไม่เห็นไม่ทราบมันจะมีหรือไม่มีสงสัยลังเลในใจเพราะเกิดมาก็ไม่เห็นแต่ความสุขความทุกข์ในโลกนี้เท่านั้น คนส่วนมากก็เป็นเช่นนี้แหละเพราะอะไรยังเป็นอย่างนั้นเพราะอาวิชชาความไม่รู้ครอบงมจิตใจเพราะตัณหาความทยานอยากครอบงมจิตใจไว้ใจก็จึงมัวหมองมืดมนมองไม่เห็นหนทางออกจากทุกข์ในโลกนี้มองไม่เห็นทุกข์ มองไม่เห็นเหตุให้เกิดทุกข์มองไม่เห็นความดับทุกข์มองไม่เห็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ถ้าพูดถึงอภิชาความไม่รู้หมยเอาไม่รู้อริยสัจจะทำทั้งสี่นี่เองแหละพูดตรงตรงอะองั้นดังนั้นคนเราถึงพ้นทุกข์ไปไม่ได้ เมื่อไม่รู้เท่าทุกข์อย่างนี้นะเมื่อทุกข์เกิดขึ้นกายในกายในใจจิตนี้ก็ดิ้นหลนกดแก่งร่างกายก็กระสับกระสายร้องครวญครางโอดโอยไปทังางๆ น, น, นานาเรียกร้องหาพ่อหาแม่หาเทวดาอินพรหม มาช่วยเหลือนี่แต่ตัวเองนั่นช่วยตัวเองไม่ได้เลยต่อยให้ทุกมันมีอำนาจเหนือจิตใจร้อยเปอร์เซนต์เช่นนั้นน่ะมันถึงพ้นทุกไปไม่ได้ถูกทุกมักคนครอบงำย่ำยีเอาเสียเมื่ออยู่ในโลกนี้ก็เป็นทุกข์แล้ว เมื่อละโลกนี้ไปสู่โลกหน้าก็เป็นทุกข์เหมือนเดิมนั่นแหละเพราะว่าจิตดวงเดียวจิตดวงเดียวนี้ให้คิดดูให้ดีพระพุทธเจ้าทรงสอนให้รู้เท่าทุกข์ตามเป็นจริงทุกข์มีอย่างไรร่างกายอันนี้มันแปรปวนไปยังไงมันทนได้ยากลำบาก อย่างไรก็รู้ตามเป็นจริงไปอย่างนั้นเราจะไปอยากให้มันหายอยากให้มันระ ง, งับไปไม่ให้มันเกิดอีกต่อไปอย่างนี้มันไม่เป็นไปตามใจหวังอันนี้ที่ว่าตัณหานี่ย น, นะตัณหาส่วนละเอียดลึกซึ้งตัณหาอยากให้ร่างกายนี้อยู่ยั่งยืนนานไม่อยากให้มันแปรปวนไม่อยากให้มันแตกดับ เมื่อ p นช s i นนี่มันก็หากระงับความอยากนี้ไม่ได้ไว้ไม่ได้มันก็เกิดเป็นอุปท า, านความยึดปั้นถือมั่นขึ้นมายึดไปอย่างนั้นทำอย่างไนเราจึงจะหายทำอย่างไรเราจึงจะไม่ตายคนเมื่อมันหลงมันเมาแล้วมันก็คว้าควายไปทั่วแล้วจิตใจนี้มันเป็นอย่างนั้น ดังนั้นผู้เช่นนั้นตายไปกละทมไปด้วยทุกข์จิตใจดวงนี้แบกเอาทุกข์ไปด้วยเป็นเช่นนั้นดังนั้นนะพระพุทธเจ้าจึงสอนให้รู้เท่าทุกข์ตามเป็นจริงให้มีความอดกลั้นทนทานต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้น พราะขันห้านี่ยังมีอยู่ตราบใจทุกนี่ก็ย่อมมีอยู่ตราบนั้นอถ้าจะพูดให้ตรงๆแล้วก็ขันห้าทั้งก้อนเนี่ยเป็นก้อนทุกขโดยตรงเลยอ่ะไม่ใช่ก้อนสุกก้อนทุกอ่ะถึงสุแกแค่กระสุกชั่วประเดี๋ยวประดาวหนึ่งแล้วมันก็มีทุกขมาแทรกแทงอยู่อย่างนั้น เพราะฉะนั้นจึงว่าก้อนทุกข์นี่ถูกต้องเลยมเมื่อเราอดทนอดกัน้นรู้เท่าตามเป็นจริงพยายามรักษาจิตอันนี้ให้ตั้งมั่นไม่ย่อนไหวต่อทุกขวเวทนาทางต่างเช่นนี้มันจะแตกมันจะดับมันจะแปรพันไปยังไงก็แล้วแต่เรื่องของมัน ขันทั้งห้าอันนี้นะเพราะมันไม่ใช่ของเราสะแล้วบอกไม่ได้บังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังก็มีอุบายสอนใจเข้าไปอย่างนี้แหละคนเรานะอย่าไปนั่งอยู่เฉยๆหรืออย่าไปทนทุกข์ทรมานอยู่ในใจเฉยๆ ทนแล้วเราก็วิจารณ์ได้เราก็พิจารณาได้แต่ถ้าไม่อดทนแล้วพิจารณาอะไรก็ไม่ได้เลยอมันเป็นอย่างนั้นเมื่อความอยากดับไปจากกิจใจแล้วหมายความว่าอยากให้มันอยู่ยั่งยืนนานก็ไม่ว่าไม่อยากให้มันอยู่ยั่งยืนนานก็ไม่ว่า ขันธ์ทั้งห้าอันนี้นะแล้วแต่มันจะอยู่ได้แล้วแต่มันจะเป็นไปยังไงเราก็รู้เท่าตามเป็นจริงไปอย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้จิตใจมันก็ไม่เป็นทุกข์ไม่เดือดร้อนกวนกรวายเพราะรู้แจ้งชัดแล้วว่าถึงจะปรารถนาให้มันเป็นอย่างไรมันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังแล้ว ก็วางอุเบกขาลงเท่านั้ น, นในขันธะอันนี้อย่าไปเสียใจอย่าไปดีใจกับมันเมื่อเวลามันเป็นปกติไม่มีโรคใครเบียดเบียนกินได้นอนหลับก็อย่าไปชื่นชมยินดีจนลืมตัวต้องเตือนตนเสมอว่าการที่มีกำลังเลียวแดงดีกินได้นอนหลับ เต้นสามศอกออกสามวานี่มันไปได้ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นแหละมันจะไม่นมนานอะไรเดี๋ยวร่างกายนี่สุดโทรมลงไปแล้วก็อ่อนลงอ่อนลงเราจะไปเต้นสามศอกออกสามวากินได้เต็มที่นอนหลับเต็มที่ไม่ได้แล้วมีแต่มันถดถอยน้อยลงไปโดยลำดับแล้วชีวิตนี้อ่าอย่างนี้นะ ดังนั้นแหละเราจะไปสำคัญสัญญาว่าเป็นตัวตนของเราได้อย่างไรนี่ก็ต้องมีปัญญาสอนจิตเข้าไปอย่างนี้จิตนี้เมื่อเห็นแจ้งตามปัญญาแล้วมันก็องก็วางลงเท่านั้นเนี่ยไม่ถือมั่นว่าเป็นตัวตนของเรา ให้ความภาคเพียรพยายามให้เกิดสมาธิให้เกิดปัญญาความภาคเพียรให้เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์โมนีน่นะมันเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ทั้งนั้นเลยบุคคลใดไม่ภาคเพียรไม่ยามทำศีลให้บริสุทธิ์ ทำกายวาจาให้บริสุทธิ์จากบาปจากโทษแล้วจะมาบำเพนสมาธิภาวนาให้ใจมันสงบระ ง, งับเป็นหนึ่งเบิกบานลงไปอย่างนี้มันไม่ได้เพราะว่าบาปมารบ ก, กวนจิตใจทำใจสงบไม่ได้ก็เพราะบาปนั่นเองแหละเพราะคนไม่รักษาศีลไม่สำรวมในศีล มันถึงเป็นอย่างนั้นดังนั้นเรื่องอย่างนี้นี่มันก็อยู่กับจิตใจนี่แหละเราพอใจจะรักษาศีลไหมอย่างนี้นะหรือไม่พอใจถ้าไม่พอใจแล้วมันก็ไม่รักษาเนี่ยศีลเจอบาปก็ทำบาปเข้าถ้าไม่เจอก็ไม่ทำ ความเป็นผู้ไม่ใส่ใจฮนะมันเป็นอย่างนั้นเดืองมานนะ่ะถ้าว่าถามตัวเองนะ่ะตัวเองปรารถนาที่จะรักษาสิ่งในบริสุทธิ์จริงๆอย่างนี้นะมันก็รักษาได้ฮนะเพรเมื่อมันพอใจแล้วนะเพราะว่ากายกับ ว, วาจาในมีใจเป็นใหญ่ใครๆก็ยอมรู้อยู่แล้วแต่ว่าใจนี้นะ่ะเมื่อไม่ฝึกให้ มันตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมแล้วมันกไม่ยอมไม่ยอมทวนกระแสของตัณหาปล่อยให้แต่ตัณหามันจูงไปลูกเดียวเป็นอย่างนั้นเรื่องมาน่ะถึงใจจะเป็นใหญ่ในบุญและบาปก็ตามนะถ้าก็ไม่ฝึกให้มันสงบระ ง, งับไม่ฝึกขค้เห็นโทษแห่งตัณหา ความอยากความปรารถนาต่างๆแล้วแน่นอนแหละมันก็ต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งกิเลสตัณหา ต, ตกอยู่ใต้อำนาจแห่งความทุกข์ความทรยารย์ลาบากของขนันหานี้เมื่อทุกครอบงามาแล้วก็มีแต่โอดแต่โ้ยมีแต่ร้องโคนครางอยู่เท่านั้น ไม่มีขันติความอดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนาเลยนี่สำคัญมากนะจะพากันพิจารณาไว้ให้ดีเพราะว่าทุกคนจะต้องได้พบแน่นอนเลยนะจะต้องได้พบกับความเจ็บความตายเนี่ยหนีหนีไม่พ้นเลยดังนั้นเราจึงต้องพยายามฝึ ก, กจิตให้เป็นไปแต่เนิ่น แต่เมื่อเวลาความตายยังไม่มาถึงเช่นเวลาเจ็บไข้ไม่สบายแต่มันก็ยังไม่ใกล้ต่อตายเราก็ต้องฝึกและฝึกขีดให้ออดให้ทนต่อความเจ็บป่วยไขย้แต่เนิ่นๆทีเดียวแหละถ้ามันเจ็บป่วยไข้รงเท้าใดก็อดทน อดกั้นลงไปไม่ต้องแสดงความเศร้าโศกเสียใจใช้ปัญญาเตือนตนว่านี่แหละขันหามันเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังมันก็เป็นอย่างนี้แหละถ้าเป็นของเราจริงจังมันก็ต้องบังคับได้มันก็ต้องเป็นไปตามใจหวังอันนี้มันไม่ใช่ของเราไม่ใช่เหรือ มันถึงไม่เพนไปตามใจหวังอย่างนั้นแน่นอนแล้วก็ไม่ใช่ของเราเลยเราบังคับมันไม่ได้นี้จะมาถือเอาว่าเป็นของเราได้อย่างไรอะ่ะตัวเองก็ถามสอนตัวเองตัวเองก็ถามตัวเองตอบตัวเองไปอย่างนี้นะนี่แหละเรียกว่ า, เ, าเราหัดจเจริญปัญญ า, าในสาย ตรายลักษณะญาณ น, นี้ให้เกิดขึ้นปัญญาในสายตรายลักษณะญาณ น, นี่แหละจะนําให้ดวงกิจนี้หลุดพ้นจากทุกข์ภัยในวัตาสงสารนี่ได้อันปัญญาโลกีนั่นน่ะมีแต่คิดจะเอาสมบัติในโลกนี้มาใส่กอบกลยมา ไว้เป็นสมบัติของส่วนตัวโดยส่วนเดียวมันเป็นอย่างนั้นมีแต่เอากับเอาลูกเดียวการปรองการวางไม่มีเนี่ยเรื่องของตันหานเป็นอย่างนั้นนี้เรื่องของอวิชชาก็ไม่รู้ไม่รู้ร่างกายอันนี้นะ่ะมันควรจะยึดถือเอาไว้หรือ หรือว่าควรหรือไม่ควรจะยึดถือมันไม่รู้ไม่ได้คิดเลยนแหนะถ้าคิดอย่างที่แนะนำมานี่แล้วจิตมันรู้แจ้งขึ้นมานั้นเออจริงขันห่านี่ควรปรงก่อวางแค่ไม่ควรยึดถือด้วยความเศร้าโศกเสียใจพิลายลํำพันต่างๆควรปรงก่อนวางไว้ตามสภาพของมัน เพราะว่ามันไม่อยู่ในบังคับบัญชาแล้วคืนถือมั่นไว้มันก็เป็นทุกข์เปล่าๆถ้าปล่อยวางเสียอย่างนี้ทุกข์ทางจิตใจมันก็เบาลงปล่อยวางได้เท่าไรทุกข์ทางใจก็เบาไปเท่านั้นไอจิตดวงนี้นะได้แก่ความรู้สึกไออย่าไปลืม เพ่งน้อมสติเข้าไปหาความรู้สึกอ น, นั้นไอ้ทุกขเวทนามันเป็นอาการของจิตมันเป็นอาการของจิตท่านเรียกว่าเวทนาเจตสิกมันก็อาศัยอยู่ที่จิตนี่แหละแต่มันมีเกิดได้ดับได้ไม่เหมือนดวงจิตนี่ดวงจิตที่มันมันไม่ เกิดไม่ดับมันอยู่มันอยู่ในกายนี่ไงตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันนี่ความรู้สึกอันนี้มีอยู่อย่างนี้แหละให้พิสูจน์ดูดังนั้นแหะเราน้อมสติเข้าไปควบคุมความรู้สึกกันนั้นไว้ไม่ให้มันอยากทะเยอทยานไปอย่างนน้น อ, อย่างนี้เจ็บไข้ได้ป่วยก็มันก็ไม่อยากให้มันหายหรือว่า ไม่อยากให้หายก็ไม่ว่าแล้วแต่มันจะหายแล้วแต่มันจะไม่หายก็มันไม่ใช่ของเราซะแล้วบังคับมันไม่ได้สอนใจตัวเองนี่ให้กําหนดรู้อย่างนี้นะอวิชชาก็ไม่รู้มันก็ดับไปซิแบบนี้นะก็ไม่รู้จักทุกขกันนะ่ะก็รู้แล้วว่านี่ว่าทุกข์นั่นเรื่องของขันห้าไม่ใช่เรื่องของเรา หรือว่าไม่ไม่ใช่เรื่องของดวงจิตคูยง่ า, งงายๆนั่นแหละเนพราะเหตุอะไจรจึงว่าอย่างนั้นก็เพราะเหตุว่ารูปนามอันนี้นะ่ะมันแปรปวดไปอยู่ตลอดเวลาทั้งที่จิตนี่ก็ว่ามีอำนาจนะนึกอยากจะเดินก็เดินไปได้นึกอยากจะนั่งก็นั่งได้ นึกอยากจะนอนก็นอนได้นึกอยากจะทําอะไรไปไหนมาไหนก็ไปได้อย่างนี้นะแล้ววันเวลานึกอยากจะให้ร่างกายนี่หายเจ็บหายไขย้หายป่วยนึกไม่นึกแลยมันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังเลยนี่เราเทียบกันดูความนึกคิดนี่นะมันเป็นอย่างนี้แหละดังนั้นนะ่ะ นักปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นก็องค์พิจนาเห็นชัดตามในจริงด้วยปัญญาอย่างนี้ก็จึงปรงจึงวางขันหานี้ลงไม่ถือว่าเป็นของเราของเขาอะไรเลยมเมื่อวางลงไปแล้วความรู้สึกอันนี้มันก็เบาเลยวันนี้นะ ม, มันก็ปลอดโปง ถึงแม้ทุกขเวทนามันจะมีอยู่ในขันหานี่จิตมันก็ไม่อ่อนแอเท่าแท้ไปตามทุกขเวทนานั้นมันก็เข้มแข็งมันก็อดทนเมื่ออดทนอดไปอดมาในจิตใจนั้นมันก็ไม่เป็นทุกขแล้วนี้มันก็สงบระ ง, งับตั้งมั่นอยู่ด้วยดีโดยลําพัง นี่ทุกขเวทนาทั้งหลายก็เบาลงถ้าทำจิตได้อย่างนี้นะก็ให้สันนิฐานดูพระพุทธเจ้านั่นแหละพระองค์เสด็จไปสู่สวนอุทยานของมรรกษัตย์แล้วสั่งให้พระอานนท์ไปชำระแท่นบาลัง อันเป็นที่นอนที่นั่งของกษัตริย์เมืองทุุสินิลานั้นให้สะอาดหันศีรษะไปทางจะวันตกหันเพ้าไปทางจะวันออกหันพระบาิไปทางจะวันออกอย่างนี้นะพระองค์ก็ทรงบรรทมลงไปทรงนอนนอนตะแคงข้างขวา เอาเท้าเรื่มเท้าไว้โดยประหัดของพระองค์ก็เหยียดยาวไปตามร่างกายพระหัดขวานั้นดูมันจะยกขึ้นงอไปเอาไว้กับใกล้ๆกับพัะเสียนอย่างนี้พระองค์ระ บันทมอยู่อิทธิบาวดเดียวนั่นนะตลอดคืนนะคิดดัวทําทไมพระ อ, องค์จึงทําได้อย่างนั้นก็เพราะว่าพระ อ, องค์ปงขันห้าวางขันห้าลงได้แล้วไม่ถือว่าเป็นเราเป็นของของเราอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นนะ่ะพระ อ, องค์จึงไม่มีกระดุกกระดิกเลยตลอดคืนย่างรุ่ง จนจวนจะสว่างพิโกงพง ก, ก็พง ก, ก็ดับขันให้เข้าสู่พระนิพพานเท่านั้นเองนี่เราต้องนึกถึงข้อนี้ให้มากๆเพราะว่าทุกคนนั้นยอมมีความเจ็บความป่วยไขย้ความตายเป็นธรรมดาแต่สำหรับคนไม่รู้เท่าแล้ไม่ไม่ใช่ธรรมดานะแบนี้นะ มันทำเอาจิตที่พวนฝันวันไหวไปเลยมันเป็นอย่างนั้นแต่หากว่าเรามาภาวนารู้เท่าทุก์ตามเป็นจริงอย่างว่านี้แล้วมันก็ต้องละสมุทัยคือเหตุที่เกิดทุกข์นั่นเสียแหละมันจึงจะยุติลงได้จิตใจอันนี้นะมันจึงจะไม่วันไหว ต่อทุกขเวทนาต่างๆถ่ายังปล่อยให้จิตอยากให้มันหายอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้มันเป็นอย่างนี้อยู่อย่างนี้น่ยทุกทางจิตนี้ก็ไม่หายเลยอ่ามันเป็นอย่างนั้นได้เข้าใจเพราะนั้นเมื่อเรากำหนดทำใจแน่ๆอยู่ภายในแล้วก็ละความอยากดังกล่าวมานี้เสียให้หมดเลยไม่ต้อง วิตกเวิยนจ า, อา น, อนอยากนน้อนอยากนน้อนอยากนี้อะไรดังกล่าวมาแล้วนั้นต่อไปมันจะแตกจะดับก็แล้วแต่มันขันหานนี้นะมันไม่แตกไม่ดับก็แล้วแต่มันทําใจลงได้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์หลายถึงแม้จะไม่รู้เท่าทุกร้อยเปอร์เซ็น แต่ก็รู้เท่าทุกเพียงห้าสิบเปอร์เซนก็ยังนับว่าดียังนับว่าดีอยู่จิตจะไม่ได้ดิ้นลนกดแก่งเกินประมาณอ่าอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นน่ะเมื่อผู้ใดมานึกถึงชีวิตนี่เป็นของไม่เที่ยงพร้อมตายเป็นของเที่ยงแล้วก็ จงพยายามพิจารณาให้อริยสัตี่ปรากฏขึ้นในญาณวิถีในดวงกิจของตนให้ได้อย่าไปนึกว่าเป็นธรรมอันลึกซึ่งไม่สามารถที่จะรู้ได้ไม่ใช่ว่าลึกไม่ใช่ตื้นนะอริยสัตี่นี่ มันก็มีอยู่ที่กายที่จิตนี้เองไม่ใช่มีอยู่ที่อื่นอา้าวทุกกายก็ากายไม่เที่ยงมายังยืนนี่แหละโลกใครใค่เจ็บเบียดเบียนอย่างงี้นะทุกใจก็เพราะใจไม่รู้เท่าขันหน้าตามเป็นจริงไม่หัดปรงหัดวางอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละมันถึงเป็นทุกข์ใจ อันเหตที่มันเป็นทุกข์ใจเพราะตัณหาความทยานอยากอยากให้ร่างกายเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันถึงได้เป็นทุกข์ใจถ้าใจละความอยากเหล่านี้เสียความทุกข์ใจก็ไม่มีแบบนี้นะมิแต่ทุกข์กายเป็นอย่างนั้นแล้วการที่เราภาครีนพยายามอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเนี่ย มีสมติสัมปสัญญะสํมโลมกายวาจาไม่ทำบาปมีค่าสัตว์เป็นต้นมีการดื่มเหล้ามลสุราเป็นที่สุดแล้วจิตใจมันก็เบิกบานผอ่องแผ้วเหมาะผมที่จะเป็นภาชนะทองรองรับเอาสมาธิจิตให้เกิดขึ้นได้ แน่นอนนะเมื่อไม่มีบาปมารบ ก, กวนแล้วเราเพ่งจิตนี้เข้าไประงับอารมณ์ความคิดความนึกแต่ใส่สไปทางอื่นมันก็ระงับได้ง่ายเพราะไม่มีบาปมารบ ก, กวนจิตก็รวมลงไปรวมลงไปโดยลําดับไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะ่ะ เมือ่อในยินได้ฟังกันนี้แล้วขอให้พากันทำใจพยายามทำใจของตนให้สงบระ ง, งับลงไปแล้พยายามเจริญปัญญาหาอุบายสอนจิตใจของตนดังกล่าวมานี้ให้เต็มความสามารถของตนเสมอเสมอไปแล้วให้ทุกข์ทางใจมันก็บาววางไปเรื่อยๆไป ตัณหาที่จะมันจะก่อให้เกิดทุกข์ทางกายหรือทางใจต่อไปมันก็ดับลงอ่าเป็นอย่างนั้นเมื่อตัณหาดับแล้วทุกข์ก็ดับไม่ใช่อื่นไกลอะไรนะอย่าว่าความอยากมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เมื่อเราไม่อยากเสียอย่างนี้แล้วทุกข์ทางใจมันก็ไม่มีอ่าไอ้ทุกข์ทางกายนั่นเนี่ย เมื่อกายนี้ยังไม่แตกไม่ดับตราบใดมันก็มีอยู่อย่างนั้นแหละแต่ข้อสาคัญเรามาเพ่งกิดนี่นะอย่าให้มันอยากโน่นอยากนี่อะไรเลยไอ้เช่นนี้แล้วทุกทางกีดมันก็ดับให้เข้าใจให้ง่ายง่ายอย่างนี้แหละแต่แต่ว่าคำพูดมันง่ายแ ต, แ, แต่เวลาไปทำเนะ่ยมันยาก แต่มันก็ไม่เหลือวิสัยทำได้ถ้าทำไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ไม่สั่งสอนแล้วพระองค์ก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าพระองค์ไม่มีอวัยเย็บใครในใจให้ละตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างนี้ได้พระองค์จะเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เลยขอให้เข้าใจจะเป็นพระอระหันต์ตสาวกก็ไม่ได้ ผู้ผูท้ที่เป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นพระอรหันตาสาวก็มีธาตุสี่ขันห้าเหมือนกันกับเรานี่เองะให้คิดอย่างนั้นก็แล้วกันแต่ว่าขันห้าของพระองค์นะมันพิเศษกว่าขันห้าคนอื่นเพราะในฐานะเป็นพระศาสดาเอกในโลก ถ้าหากว่าไม่สวยสดคนณงามอย่างนั้นคนผู้ที่ถือรูปเป็นประมาณมันก็ไม่เลื่อมใสที่เรียกว่ารู้ขับประมาณิกาถือรูปเป็นประมาณนี่นะจริงนะบางคนเนะ่ะไปเห็นรูปร่างของพระบางรูปบางองค์สวยๆงามๆ เขาเราก็เลื่อมใสยอย่างนี้ก็มีนะถ้าไปเห็นพระรูปร่างขีร้รายหน่อยก็ไม่เลื่อมใสแล้วมันเป็นตามอัธยาศัยของบุคคลที่ได้ฝึกฝนอบรมมาตั้งแต่ก่อนมันไปนอย่างนั้นทำมั่ประมาณิกาบางพวกก็เลื่อมใสในธรรมแบบนี้นะเมื่อท่านแสดงธรรม่ฟังแล้ว รู้สึกทราบซึ่งในธรรมะที่ท่านแสดงนั้นมากอย่างนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดความนับถือในท่านผู้แสดงธรรมนั้นอันนี้เรียกว่ามีธรรมเป็นประมาณในใจความเลื่อมใสยิ่งเพราะรู้ธรรมเห็นธรรมคำสอนของพระเจ้าที่พระองค์เจ้าทรงแสดงสั่งสอน หรือสาวกของพระ อ, องค์แนะนำสั่งสอนเนี่ยเป็นอย่างนั้นสัทัาปรมาณิกาบางพวกก็เรื่มใสในเสียงเมื่อได้ฟังเสียงไพเราะพ่อพิ้งเข้าไปแล้วก็จับอกจับใจประกอบกับเสียงที่ท่านแสดงออกไปนะั้นมันเป็นธรรม มันเป็นกุศลธรรมมันทำให้ใจเย็นใจสบายไอ้อย่างนี้นะแล้วจึงพาให้เกิดความเชื่อความเลื่อมใสในประพุทธระธรรมประสงค์ขึ้นมานี่แหละความเลื่อมใสนับถือประพุทธพระธรรมประสงค์ในพุทธศาสนานี่ย่อมมีแตกต่างกันไปอย่างนี้แหละ ดังนั้นใครจะเริ่มใสแบบใ ด, ดก็แล้วแต่ถ้าเพียงแต่เริ่มใส่เฉยๆแล้วไม่ลงมือฝึกตนปฏิบัติตามคำสั่งสอนที่ท่านเนะนํำไปนั้นความเริ่มใสนั้นมันกับเบาๆเต็มทีเบาบางไม่นักหน่วงเป็นอย่างนั้น ถ้าเรื่อมใสแล้วลงมือประพฤติธปฏิบัติตามอย่างที่แนะนามาแล้วนั่นคือหัดพงหัดวางขันห้าลงไปใช้อุบายปัญญาสอนจิตที่เขาไปเสมอเช่นนี้แล้วไอ้ความเชื่อความเลื่อมใสนี่มันก็มั่นคงอยู่ในใจที่ท่านเรียกว่าอาจาระศรัทธาแปลว่าความเลื่อมใสยิ่งในพระพุทธธรรม ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างมั่นคงไม่วันไหวไปเชื่อสิ่งเอื่นก่อนที่จะมาเชื่ออย่างว่านี่เพราะมันกั้นกองดูด้วยปัญญาเห็นแจ้งตามเป็นจริงแล้วเช่นอย่างว่าเมื่อละความอยากในใจเสียได้ลงไปแล้วอย่างนี้ทุกทางใจก็ดับอย่างนี้นะ เธอพี่นาะดูด้วยปัญญาเนะี่นก็เห็นตามที่พระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนนั่นแหละเออจริงจริงนะไอคนเราที่มีจิตใจเป็นทุกข์กระวนกระวายเดือดร้อนอยู่ในโรคอันนี้นะก็พราอยากให้ร่างกายนี้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันคงท้ามอนอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นนะแหละเมี่ยก็อยากให้ โอค่าสมบัติที่ตนสเสวงหามาได้นั่นอย่าให้มันเสื่อมมันสูญให้มันอยู่ยั่งยืนนานแม่มันใช้จ่ายไปแล้วก็คอย ห, หาได้มาแทนที่ก็อยากได้ให้มันมากขึ้นไปกว่านั้นอีกแต่เป็นอย่างนี้นความอยากเมื่อมันระบาดไปทั่วแล้วมันก็ เป็นทุกข์มากนะจิตใจนี่นะมันเป็นอย่างนั้นเขาเห็นเขามียศสาบรรดาศักดิ์ก็อยากมียศมีบรรดาศักดิ์กับเขาดีหลนทะเยอทะยานแสวงหาอันหมนี้นะล้วนแต่ตัณหาทั้งนั้นเลยเป็นบ่อกเกิดแห่งทุกข์โดยตรงน ะ, ะดังนั้นทาอริยสัจ อริยสัจจะทำของจริงเนี่ยจะว่าลึกก็ไม่ใช่จะว่าตื้นเสียจริงจริงก็ไม่ใช่ไอ้ที่ว่ามันตื้นนั้นมันอยู่ในวิสัยของบุคคลผู้มีปัญญาผู้อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วรู้แจ้งตามเป็นจริงเช่นนั้นละปรากฏว่าความรู้ในอริยสัจสี่ของพวกนั้นมันตื้นขึ้นมาจริงนะ มันไม่ลึกลงไปจนมองไม่เห็นแต่มันลึกจนมองไม่เห็นได้ก็เพราะอาวิชชาความไม่รู้นี่แหละปล่อยให้ความไม่รู้ครอบงาจิตใจเช่นนั้นแล้วมันก็ไม่สามารถจะรู้ทุกข์รู้เหตุให้เกิดทุกข์รู้ความดับทุกข์รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ได้ เป็นอย่างนั้นดังนั้นเมื่อผู้ใดมาภาวนาลงไปไปเห็นว่าตัณหานั่นแลยเป็นเหตุให้ทุกทาง จ, จิตใจทางร่างกายบังเกิดขึ้นอยู่อย่างนี้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็เพียรไม่ยามละมันแหละวันนี้นะไม่สั่งสมตัณหาความอยากให้มากมายขึ้นใน จ, ใจิตใจ อยากอยู่แต่ในวงจำกัดมันก็ไม่เป็นทุกข์หลายเช่นอยากเข้าอยากน้ำอย่างนี้นะแล้วก็หามารับประทานเสียอย่างนี้การแสวงหาอาหารมารับประทานมันก็ยากลำบากไม่น้อยเหมือนกันเลยแต่ว่าเมื่อบุคคลใดเป็นผู้ักความอยาก เกินขอบเขตนี้ลงได้แล้วมันก็เป็นทุก์มันก็วันเท่าทุก์ได้อยู่เช่นเราเสวงหาเงินทองเข้าของอะไรอย่างนี้เราก็ทำในใจไว้เสมอว่าเราจะทำงานอย่างนี้อย่างนี้ให้มันสำเร็จรู้ร่วงไปแล้วมันจะได้เงินได้ทองมาใช้มาจ่าย เมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็คิดลงไปว่าถ้ามันได้เราก็จะ ก, ก็จะดีไปถ้าไม่ได้ก็แล้วไปเราจะไม่เสียใจเราจะไม่ดีใจเวลามันได้มากมากมาเราจะไม่เสียใจเมื่อเวลามันเสียไปเมื่อเวลามันไม่ได้สมหวัง เราก็ทำอุบายแบคายในใจไว้อย่างนี้แล้วก็จึงทำการทำงานลงไปสแสวงหาเงินทองเข้าของไปเมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อมันไม่ได้มันก็ไม่เสียใจแล้วมันได้กำหนดไปแล้วนี้เมื่อมันได้มามากมันก็ไม่ดีใจเพิอเพลินโมเมาเกินประมาณนี่ก็รู้จักประมาณในการใช้การจ่ายเมื่อมีเงินมีทองมาแล้ว ไม่ใช่จ่ายตามอำนาจแห่งตันหาถ้าไปจ่ายตามอำนาจแห่งตันหามันก็เป็นทุกข์เพราะมันหมดเร็วเมื่อเงินทองเข้าของหมดแล้วก็เป็นทุกข์ใจเดือดร้อนอมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะระบบคคนใดมีปัญญารู้จักประมาณในการใช้การจ่ายในทรัพย์สมบัติที่ได้แสวงหามาได้โดยทางที่ชอบนั่น มันก็ไม่เป็นทุกข์หลายเพราะเรารู้จักนี้เรามีเงินเท่านี้เราเจองต้องจ่ายไปเท่านั้นเท่านั้นมันจริงๆสมดุลกันอย่างนี้นะเราจะไม่ยอมจ่ายให้มันหมดจนเป็นหนี้เป็นสินเขาความเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกพระพุทธเจ้าแสดงไว้แล้วอินาดานังลุขั้งโรเกความเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกดังนี้ ดังนั้นเพื่อไม่ให้มันเป็นทุกข์เกิดจากนี่สินแล้วก็ห้ามความอยากความปรารถนาในใจให้มันได้อย่างที่ว่านั่นแหละให้มันอยากอยู่ในขอบเขตพอดีพองามกับรายรับรายได้ของตนเป็นอย่างนั้น ถ้าพูดถึงความอยากนี่มันก็อย่างว่านั่นแหละมันเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์นานาประการจริงๆอยากโลภอยากโกรธอยากหลงอยากมัวเมาไปในโลกสนิบาตอันนี้ไม่มีสิ้นสุดมันก็เกิดจากความอยากนี่ทั้งนั้นเลยนี่นพิจารณาดูจิตใจของตัวเองว่าความอยากในหัวใจนี่มัน มันมีอย่างนั้นไหมเช่นมันอยากโลภเพ่งเพ่งเลงไปในสมบัติเข้าของเงินทองของผู้เอือนอยากแกได้มาเป็นสมบัติของตัวโดยสเสแวงหาเอาในทางทุจริตยี่เอาปล้นเอาหลอกลวงช่อโกงเอาอย่างนี้นะเนี่ยตัณหาอยากโลภอันนี้นะมันก็เป็นทางอากุศลแล้ว เป็นทางไปสู่ทุกข์มันเป็นองั้นตัณหาอยากโกรธมันก็เกิดขึ้นในขณะที่มันมีอารมณ์มีเรื่องไม่ดีกระทบกระทั่งมาเช่นนี้มันก็เกิดความอยากโกรธขึ้นมาแล้วเหมือนถึงได้โกรธคนเรานะถ้ามันไม่อยากโกรธแล้วมันก็ไม่โกรธนี้ ใครจะด่าจะว่าทํหนิ้ีเตียนยังไงมาอย่างนี้เมื่อมันไม่อยากแล้วมันก็ไม่โกรธอ่ะมันไม่อยากเพราะอะไรเพราะมันมีปัญญามองเห็นแล้วว่าถ้าไปอยากโกรธตอบเขาอย่างนี้มันก็เป็นทุกข์ทุกข์ทั้งเขาทุกข์ทั้งเราเห็นแจ้งในใจอย่างนี้นะอะแล้วมันก็หายอยากตอนนั้นเอง จะอยากไปทำไมมันก่อทุกให้แก่ทนและผู้อื่นนี่มันเห็นแจ้งโดยปัญญาอย่างนี้แล้วใครโกรธมามันก็ไม่โกรธตอบแล้ววันนี้นะก็อดก็ทนเอาคำด่าว่าเสียดชีจากคนเอื่นนีท่ทำใจของทนให้เป็นปกติอยู่ให้ได้อย่างนี้แล้ว การพวกที่อยู่ครองเรือนบริโภคปัจจัยสีคือผ้านุ่งผ้าหม่มอาหารที่นอนที่นั่งยุกยามแก้โกครคภัยกรเจ็บตั้งๆนี่มันก็บริโภคไปไม่บริโภคด้วยตัณหาเรียกว่าบริโภคด้วยปัญญานี่มันก็ไม่ได้ทำบาป อันบุคคลเช่นนั้นนะ่ะมันก็หาทางหลีกเลี่ยงจากบาปได้เรามีปัญญาเรื่องมันเป็นอย่างนั้นคนไม่มีปัญญาแล้วมีแต่จนกรอกทำยังไงได้ไม่ทาก็ไม่ได้กินบาปก็จําเป็นต้องบาปแหละก็เมื่อมันยอมรับเอาบาปอย่างนี้มันจะไม่ได้บาปอย่างไรแล้ว ถ้าบุคคลมาเห็นแจ้งว่าบาปมันอํานวยผลให้เป็นทุกข์จริงด้วยปัญญาจริงๆแล้วใครจะไปอยากไปสู่ทุกข์ใครจะไปอยากสะสมบาปที่นี่ก็ไม่สะสมแล้วอันนี้เพราะเหตุว่ามองไม่เห็นด้วยปัญญานี่นะมองไม่เห็นว่าตัณหานี่มันเกิดทุกข์ได้อย่างไรอย่างไรมองไม่เห็นนี่ เห็นแล้มันจึงเกิดตัณหาอยากโรคตัณหาอยากโกรธขึ้นมาเมื่อลักความอยาก น, นี้ได้แล้วความโรคความโกรธมันก็ไม่มีมันก็ดับไปเมื่อลัความหลงได้แล้วมันก็รู้แจ้งในสังขารร่างกายนี้ทำเป็นจริงไม่ถือมันว่าเป็นเราเป็นของเรานี่ผู้ลัความหลงได้อันนี้นะี่ผู้ละความหลงไม่ได้ มันก็ย่อมสําคัญสัญญาว่าขันหน้างานี่เป็นเราเป็นของของเราเป็นตัวตนแก่นสารของเราอย่างนี้นะเมื่อมันสําคัญผิดอย่างนั้นมันก็ยึดถือเอาขันหน้านี้ไว้มันก็เป็นทุกข์อยู่ล่ําไปอย่างนั้นแหละเอาดินลนอยากจะให้ขันหน้านี่มาอยู่ยั่งยืนนาน ก็ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาต้มมาแกงเลี้ยงมันเรื่องบาปนั้นไม่ต้องคิดถึงแล้วอย่าง น, นี้นะคนส่วนมากเป็นอย่างนั้นบางคนก็ไปเที่ยวลักเอาของคนอื่นมา เ, าเพื่อจะเอามาบำรุงบำรเลอขันห้านี่แหละห่วงหลายห่วงขันห้านี่ยอมยอมทำบาปเพราะขันห่านี้ อ่าอย่างนี้เลยเอ้าบางคนก็มีความกําหนัดในขันห้านี่มากความกําหนัดนี่มันก็เป็นเหตุแผ่กระจายไปถึงคนอื่นเมื่อมันกําหนัดในขันห่านี่แล้วมันก็อยากได้ขันห้าอื่นมาชมมาเฉยมารูปคําสัมผัสอะไรต่ออะไรแบบนี้เมื่อสะสมความกําหนัดในมึงมากเข้ากกไปแล้ว อมีผัวอยู่มันก็ไม่ยินดีในผัวของตนโดยเฉพา ะ, ะนีงมันก็ไปยินดีในผัวคนอื่นหรือว่าในชายอื่นนุ่นเพิ่มเติมเข้าไปอีกอในทางความรักความใคร่ผู้มีเมียมาแล้วก็ไม่ยินดีในเมียของตนอยู่โดยเฉพาะเ้าไปเห็นหญิงอื่น สวยกว่าเมียเขาตัวก็ชอบใจแล้วอยากได้พยายามหาเขารู้ว่าตัวมีเมียอยู่แล้วเขาก็ไม่ค่อยจะเกี่ยวข้องก็ต้องใช้เงินหวานล้อมเอาหมดเงินหมดทองเข้าไปเพราะ็เป็นเจ้าชู้นี่กันเยอะแยะคนในโลกอันนี้นะเป็นอย่างนั้นก็เพราะฉะนั้นแหละ พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสั่งสอนให้พยายามละตัณหานี่ให้มันเบาบางอภิจากกิจใจอย่าให้มันอย่าสะสมความอยากนี้ให้มากขึ้นไปเมื่อมันมากขึ้นไปแล้วมันพาให้ไปทําบาปมีฆ่าตั์เป็นต้นดังกล่าวมานั้นมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ในอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้น ความอยากนี่นะเมื่อสะสมไยมันมากมากก็แล้วมันเป็นอย่างนั้นเลยถ้าอยู่ในโลกนี้ก็จะต้องถูกเจ้าหน้าที่เขาจับกลุ่มพ้องร้องติดคุกติดตารางเพราะอยากโลภในสมบัติของผู้อื่นอคิดอยากจะได้มาเป็นของของตนนี่อย่างกล่าวมาแล้วนั่นแหละ ที่จากโลภในผัวในเมียของผู้อื่นหมู่นี้นะขอให้พิจารณาให้ดีขาวพูดทั้งหลายนะพระพุทธเจ้าแนแนวทางแล้วเราจะไปยอมตกเป็นทาสของสัรหาอยู่ลูกเดียวอย่างนั้นเรื่อยไปจนตลอดชีวิตไม่สมควรเลยฮันว่าอย่างละสัญหาบางอย่างยังไม่ได้ก็เอาเถอะ สัรหาบางอย่างมันไ ม, ไ ม, ไม่พาไปสู่ทุกข์ในอบายภูมิทั้งสี่มันก็มีอยู่ น, นั่นเองสัรหาอยากเว้นจากบาปจากโทษทั้งหลายอย่างงี้นะเมื่อมันเมื่อมันอยากเว้นแล้วไม่อยากสะสมมันแล้วมันก็เว้นได้สิบาปกรรมความชั่วทั้งหลายนั่นนะเองเมื่อมันไม่อยากเว้นมันก็ไม่เวทนี่ นี่แหละตัณหาไม่อยากโลรกอยากเสวงหาทรัพย์สมบัติโดยทางสุจริตแม่จะได้มากหรือได้น้อยก็ยินดีบริโภคใจสอยอยู่เท่านั้นเลยไม่เธอเาเยอะเทยานเกินขอบเขตแสงสินทำไปเมื่อบังคับจิตใจให้อยากอยู่แต่พอประมาณ เท่านั้นแล้วมันมันก็ไม่เกิดบาปเกิดโทษอะไรอยากในผัวในเมียอย่างนี้ก็อยากอยู่ในผัวในเมียของเขวมันก็ไม่มีบาปอะไร อ, ะอย่างนี้แหละอยากอยู่ในสมบัติของตัวเองที่หามาได้โดยทางที่ชอบมันก็ไม่เกิดบาปเกิดโทษอะไรอยากพูดจาปราศัยตั้งแต่พอดีพองามไม่ ไม่อยากพูดเกินขอบเขตแห่สินหนึ่งทำออกไปบางคนอะอยากพูดมากพูดไปพูดไปแล้วมันเหลวไหลสิวันนี้มันก็กลายเป็นโกโหกไปก็มีมันมันพูดมากเกินควรนะะสติมันตามความคิดไม่ทันบันทีมันก็คิดพูดเรื่องไม่จริงไปโดยไม่รู้ตัว ก, ก็มีนะบางบางคนบางคราวอะ่ะมันเป็นอย่างงั้น ดังนั้นเนี่ยต้องระงับความอยากเหล่านี้ไว้เวลามันอยากพูดอะไรอะไรก็ยับยั้งไว้ให้พอให้มันพูดพอดีพองามให้พอสมามาสมควรแล้วก็ให้พูดให้ไนใจในทางที่ไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมธรรมดาผู้บรรเทาความอยากลงได้แล้วการพูดอะไรมันก็ต้องมองถึงศีล น, นึกธรรมแหะเป็นที่ตั้งเลย ถ้าผิดศีลผิดธรรมเราไม่พูดแหลอะอมันก็ไม่ได้บาปเพราะปากเพราะคําพูดนั้นเองมบาปมันก็ไม่เคยขึ้นเพราะคําพูดนั้นอืเอา้าเมื่อมันอยากดื่มเหล้ามอสุราเพราะมันเคยดื่มมาแต่ก่อ น, อ ย, นยายาอย่างนี้นะก็พยายามระงับความอยากนั้นลงอะ่ะอย่าให้มันอยากเพราะว่าของเสพจิตทั้งลวงมีไดให้โทษ อย่างเดียวไม่มีที่จะให้คุณน้อยหนึ่งก็ไม่มีก็ต้องใช้ปัญญาสอนจิตตัวเองเข้าไปอย่างนี้นะก็เมื่อมันให้โทษอย่างนีว้วคุณไม่มีอย่างนี้จะจะยินดีมันทํำไมอ่ะจะยินดีท่องเสพมันไปทําไมอ่ะออย่างนี้ถ้ายังขืนยินดีท่องเสพกับของมืนเมาต่างเหล่านั้นไปก็ชื่อว่าไม่รักตนนะ ชื่อว่าทำลายตัวเองให้ตกไปสู่ห้วงแห่งกองทุกข์นี่เป็นความจริงทีเดียวแล้วห้คนที่ตายแล้วไปตกนรกแออัดจัดเก็บกันอยู่ในรกเหมือนเข้าสารยัดไถตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้นั้นมันก็เพราะอาศัยความอยากในหัวใจของสัตว์โลกทั้งหลายนี่เอง มันระ ง, งับความอยากไม่ได้ความอยากมันเกินขอบเขตแล้วมันมันก็เป็นเหตุให้ทำบาปทำความชั่วอย่างว่านั้นแต่ถ้าเราอยากอยู่ในขอบเขตแต่งศิลปหนึ่นงทอย่างนี้น ะ, อ, ะอยากข้าวอยากน้ำอย่างนี้ก็เอา้าเรามีศิลเป็นเครื่องสกัดกั้นบาปกรรมอยู่แล้วนะ เสวงหาอาหารมาหล่อเลี้ยงก็แสวงหาเอาไปในในทางที่ไม่เป็นบาปเป็นโทษอันน่นสิออย่างนี้นีถ้าเสวงหาไปในทางที่ผิดศีลผิดธรรมแล้วมันก็มีแต่บาปอย่างงั้นบาปมันเป็นยังไงบ้า น, นี่อ้าวมันก็อำนวยผลให้เป็นทุกข์ทั้งในชาตินี้และชาติหน้าต่อไปท่านั้นแหละอืม บุคคลผู้มีปัญญาเนะี่ยมาสอนใจตัวเองอย่างนี้แหละเข้าไปผู้ใดมีปัญญาสอนใจของตนเองได้อย่างนี้นั้นกุละปาบได้ผู้นั้นกอบวันเทาตัณหาความอยากลงได้ออย่างนี้นะขณะผู้ใดละความอยากอันพาให้ไปฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาตติมสุราเมรัย กันชายาฝิ่นเฮโรอีนต่งางๆนี้ได้แล้วผู้นั้นก็พ้นจากทุกข์ในอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นตอนดังที่เคยพูดมาอยู่บ่อยๆอยู่แล้วบางคนก็อาจจะไม่เชื่อว่านรกไม่มีเปรตอสุรกายไม่มีมีแต่สเดลิฉานนี่แหละเพราะมันเห็นโดยตาหนังอันนี้นะ บางคนก็อาจจะเห็นไปอย่างนั้นก็ได้ก็เมื่อทนมองไม่เห็นด้วยตาปัญญาก็ต้องเชื่อพระปัญญาตรัสรูของพระพุทธเจ้าสิถ้าอย่างนั้นถ้าไม่เชื่อพระปัญญาตรัสรูของพระพุทธเจ้าก็เชื่อว่าบุคคลพวกนั้นไม่เชื่อต่อพระพุทธเจา้าต่อพระธรรมต่อพระสงฆ์เอ ก็เป็นอย่างนั้นแะเรื่องมันนะดังนั้นน่ะหนทางที่เราจะละบาปได้ก็เพราะอาศัยปัญญาดังกล่าวมานี่แหละขอให้เข้าใจคนขาดปัญญาแล้วสอนตนไม่เป็นก็ละบาปไม่ได้ผู้ใดมีปัญญาสอนตนได้ดังกล่าวมานี่ก็ละบาปได้เมื่อละบาปได้ก็ไม่ได้ไปตกทุกข์ได้ยากลำบากอยู่ในอบายภูมิ มีนรกเป็นตน้นสีเลนสุขสิงยันติผู้มีศีลจะไปสู่สุขติโลกสวรรค์นี่พระพุทธเจ้าแสดงไว้นะสีเลนโภคสัมปัธาผู้มีศีลจะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยโพคสมบัติสีเลนนิพุสิงยันติผู้มีศีลจะไปสู่จากบรรลุถึงซึ่งพานิพานโดยแท้จริงอ่าเร่องนี้ อันนั้นผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยพอค่าสรัพสมบัติอย่างไรแล้วกดเมื่อเป็ น, ปนผู้มีศีลแล้วอย่างนี้มันก็ไม่รู้อํานาจแก่ตันหาสิมันไม่อยากไปในในเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์มันอยากแต่เฉพาะแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แกตนและผู้อื่นเท่านั้นอเช่นอยากฆ่าสัตว์เป็นต้นอยากดื่มเหล้ามาสุราเป็นที่สุดดังกล่าวมานี่นะ มันมันก็ไม่อยากแล้ววันนี้นะเมื่อมันมองเห็นเ ห, เหตุเหตุเหล่านี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วนี่อย่างนี้แหละคนเราจะละทันหาได้ เ, เพราะอาศัยอุบายปัญญาสอนจิตใจเข้าไปอีกปัญญาอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าสอนให้จิตมันรู้ว่าร่างกายอันนี้นะบุญกรรมตกแต่งมาจํากัด่ ถ้าใจเยเพิดเพลินสนุกสนานอยู่ในโลกนี้ไปไม่ได้นานเลยหมดบุญเก่าแล้วก็แตกดับทำลายลงเท่านั้นเองแล้ ว, วันนี้บุคคลเกิดมามีอายุเพียงสั้นๆเท่านี้แหละแล้วก็ใช้กายวาจาใจนี่ไปทำบาปทำกรรมใส่ตัวเองสะสมบาปกรรมก็ความอยากความบาดนาะถึงมีอวิชชาควาไม่รู้นะั่นนะเป็นเพื่อนนะ เช่นนั่นแล้ว ต, ตายแล้วก็ไปทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกอวัยภูมิดังกล่าวมานั้นแล้วจะมีประโยชน์อะไรเรานี่ปัญญารมสอนใจอย่างนี้นะมันก็มีแต่โทษสิประโยชน์ไม่มีมีแต่ทุกข์แหละอยู่ในโลกนี่ก็เป็นทุกข์อันบุคคลผู้มีใจหนาไปด้วยบาปกรรมความชั่วต่างๆนะ หาความสบายใจไม่ได้เลย อ, อย่างนั้นมีแต่ระทมทุกข์ด้วยความโลภความโกรธนั่นแหละเมื่อมันอยากได้อะไรไม่ได้สมหวังก็ น, นั่งชุกนั่งเจา้าเป็นทุกข์เดือดร้อนอเมื่อใครทําอะไรไม่พอโอกก็จะโกรธเมื่อทําอะไรเขาไม่ได้ก็ไป น, นั่งชุกนั่งเจา้าโกรธแค้นขุนเคืองอยู่ในใจอยู่นั่นแหละ ก็เป็นทุกข์อยู่เช่นนั้นนะเนี่ยเนี่ย ล, ลองคิดดูสิบุคคลผู้ที่รู้อำนาจแก่กความอยากความปรารถนา